เกมกำรรบทที่8ความฉลาดในเกมความฉลาดช่วยให้คุณลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากโดยไม่ต้องเป็นทุกข์หัวข้อโบนัสในเกมกรรมโบนัสหรือคะแนนพิเศษที่ให้กันในเกมทั่วไปนั้นอ่านต้องผ่านด่านผ่านขั้นตอนหลายชั้น จึงจะไปถึงจุดที่ได้โบนัสมาถึงจุดที่เล่นเพื่อเอาโบนัสโดยเฉพาะเป็นการทวีคะแนนให้ถีบตัวสูงขึ้นแบบพรวดพราดเพื่อสร้างพลังขับดันให้หูตาตื่นเล่นเกมต่อด้วยความฮึกเถิมและรู้สึกพรักพร้อมเต็มพิกัดและเช่นเดียวกับโบนัสปลายปีที่บริษัทสมนาคุณแก่พนักงานซึ่งตั้งใจทางานยิ่งได้โบนัสมากเดือนขึ้นเท่าไหร่พนักงานย่อมเกิดความรู้สึกผูกพัน และจงรักภักดีอยากทำกำไรให้กับบริษัทมากขึ้นเท่านั้นโบนัสในเกมกรรมจะทำให้คุณทั้งฮึกเหิมและทั้งติดใจอยากเล่นเกมกรรมต่อไปอีกตราบนานเท่านานเพราะจะมาในรูปของการเพิ่มคะแนนสะสมแบบล้นหลามชนิดทำให้คุณมีแต้มต่อเหนือกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไม่รู้ตัวว่ากำลังเล่นเกมอย่าว่าแต่จะสแสวงหาโบนัส แต่ใครบอกให้พยายามใส่ใจเก็บสะสมแต้มก็ยากที่จะฟังแล้วในทางตรงข้ามหากรู้ตัวว่ากำลังเล่นเกมคุณจะสแสวงหาโบนัสอย่างเอาเป็นเอาตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ว่าโบนัสจะเพิ่มสีสันให้เกมของคุณไม่หลงเหลือความเอื่อยเฉยน่าเบื่ออีกต่อไป ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโบนัสหลักๆที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงคะแนนบวกที่เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดและรวดเร็วทันใจหนึ่งกราบพระปฏิมา ก, การกราบไหว้คือการน้อมกายน้อมจิตลงสู่อาการเคารพสูงสุดหมายความว่าขณะแห่งการกราบแต่ละครั้งหากทำด้วยใจจริงแล้วจิตของคุณจะไม่มีมานะไม่มีความถือตัวถือตนการกราบ คือการยอมรับว hmm. ่าม <z ek. S 2> ีใครบางคนเหนือกว่าคุณมีพระคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของคุณและขณะที่แสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือชีวิตนั่นเองนอกจากจิตจะเป็นมหากุสลด้วยความรู้คุณแล้วยังเปิดรับกระแสความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเป็นส่วนประกอบของรัศมีจิตอีกด้วยความรู้สึกภายในที่ยืนยันความจริงดังกล่าวคือกายยิ่งข้อมลงต่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงใด ยิ่งผ่องแผ้วไร้มวลทินมากขึ้นเท่านั้นความผ่องแผ้วไร้มวลทินเป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงยิ่งรู้สึกชัดก็แปลว่ากระแสความเป็นเช่นนั้นเข้าถึงจิตคุณเต็มที่มากขึ้นการนำอาหารหรือเครื่องยานไปบูชาเ ท, ทพเจ้าตลอดปีหนึ่ง น, นั้นทั้งหมดก็ไม่เท่าหนึ่งในสี่ของการอภิวาทท่านผู้ดาเนินไปอย่างถูกต้องตรงทางทั้งหลาย ซึ่งก็ได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ท, ทั้งหลายแต่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันแล้วก็จำเป็นต้องนำรูปแทนหรือพระปฏิมามาเป็นสัญลักษณ์แทนกันความจริงแก่ผู้มีการอภิวาทเป็นต้นได้แก่เป็นผู้มีอายุยืนคือไม่ตายเสียแต่ต้นวัยเป็นผู้มีตระกูลสูงคือไม่ไปเกิดกับตระกูลต่าเป็นผู้มีความสุข คือใจไม่เร่าร้อนฟุ้งซ่านเพราะความกระด้างและเป็นผู้มีอำนาจในตัวคือไม่มีใครข่มเหงได้โดยง่ายลองคิดดูคุณลงทุนแค่กราบเอาแค่ก่อนออกจากบ้านกราบสามครั้งก็พอ <P> เพียงเท่านั้นเท่ากับคุณเอามองคลอันมองเห็นง่ายติดตัวออกจากบ้านไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นถ้าบุคคลที่คุณกราบ คือครูที่รู้จริงที่สุดในโลกก็แปลว่าใจคุณยอมรับบุคคลเช่นนี้ไว้เป็นครูจึงเป็นประกันว่าแม้ต้องเล่นเกมกรรมอีกกี่ครั้งคุณก็จะได้พบครูที่ดีที่สุดเช่นนี้อีกจนได้ส่วนใหญ่ที่กราบแล้วไม่ค่อยได้แต้มไม่ค่อยโกยโบนัสกันก็เพราะกราบด้วยใจที่แห้งแล้งกราบแบบกระโดกระเดกไม่นุ่มนวลสละสลวย เรากราบตามๆกันโดยไม่ทราบความหมายของการกราบอย่างแท้จริงใจคุณจำเป็นต้องรู้อยู่ก่อนว่าบุคคลที่คุณกราบนั้นทําประโยชน์กับโลกไว้เพียงใดถ้ายิ่งคุณได้ประโยชน์จากคำสอนของท่านชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นแหละการกราบจะเป็นการกราบออกมาจากใจที่นอบน้อมเคารพแล้วกิริยาก็จะประณีดเงยขึ้นสุดก้มลงกราบสดอย่างเนิบช้า หน้าผากฝ่ามือและสอกแตะพื้นสนิทไม่ห่างกันขอให้จำคำสำคัญนี้ไว้ดีๆคือใจต้องนอบน้อมเคารพตัววัดง่ายๆคือกราบแล้วเกิดความรู้สึกว่าตัวคุณเล็กลงแต่จิตใหญ่ขึ้นด้วยความอ่อนโยนเยือกเย็นหรือกระทั่งเกิดความซาบซึ้งโสมนัสแบบไม่แกลง้งนั่นแหละผลทันตาของการกราบด้วยความนอบน้อมเคารพ การกราบพระปฏิมาด้วยใจน้อมน้อมเคารพอย่างต่อเนื่องเพียงเดือนเดียวจะทำให้คุณมีพลังกุศลสูงขึ้นขณะที่ช้าล้างความสกปรกทางจิตได้ระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความคิดอยากทำเรื่องชั่วร้ายและพลังกุศลอันเกิดจากจิตอ่อนน้อมนั่นเองจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความคิดดีๆเข้าตัวซึ่งก็เท่ากับก่อร่างสร้างอนาคตที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาไว้ด้วย สสัจจาทิฏฐานสัจจาทิฏฐานเป็นคำสนธิระหว่างสัจจะและอธิษฐานหมายถึงการเอาความจริงเป็นที่ตั้งในการอาธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกมกรรมจะให้โอกาสตรงนี้คือถ้าคุณอ้างถึงความจริงใดๆก็สามารถใช้อธิษฐานของอะไรได้ตามขอบเขตที่ไม่เกินตัวไม่เกินบุญหลังกราบพระ ขณะแห่งความอ่อนโยนและรู้สึกสว่างกระจ่างออกมาจากภายในนั้นเป็นสภาวะของจิตที่เป็นกุศลตัวบุญที่เกิดขึ้นอาจมาในรูปของความรู้สึกอบอุ่นที่ห่อหุ้มกายให้สบายพอดียิ่งกราบด้วยอาการนอบน้อมบ่อยเท่าไรใจคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นนั้นชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อกราบครบเดือนก็ลองเปล่งวาจาต่อหน้าพระปฏิมา อาศัยความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวตั้งเช่นข้าพเจ้ามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจากการกราบไหว้พระปฏิมาอย่างถูกต้องขอความจริงนี้จงทำให้ความฟุ้งซ่านลดลงหรือให้เป็นคนขี้โมโหน้อยลงหรืออะไรก็ได้ที่เคยเป็นความเสียหายทางจิตจากนั้นขอให้คอยสังเกตดูว่าจะเกิดปรากฏการใดขึ้นกับจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของคุณ ตลอดจนเหตุการณ์ภายนอกที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณจะพบกับความมหัศจรรย์อย่างรวดเร็วและคงเส้นคงวาตราเท่าที่ยังสามารถกราบพระปฏิมาด้วยความเคารพและอธิษฐานซ้ำๆอยู่เช่นนั้นทุกเมื่อเชื่อวันขอให้จําไว้ว่าการอธิษฐานที่ได้ผลที่สุดมักเป็นการอธิษฐานขอให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งทางใจ ไม่ใช่ขอให้เกิดผลทางกายถ้ากราบพระหวังรวยทางลัดขอให้ถูกหวยขอให้รวยช่วงข้ามเดือนคุณอาจไม่พบผลใดๆเลยนั่นเพราะคุณหวังผลไม่ตรงกับที่สร้างเหตุถ้าอยากรวยต้องฉลาดทำงานหาเงินไม่ใช่กราบพระขอพรแต่ถ้ากราบพระหวังพัฒนาจิตใจคุณจะสมหวังทันใจเพราะสร้างเหตุไว้ตรงกับผล เมื่ออ่อนโยนรับกระแ ส, สศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่จิตได้จิตที่ศักดิ์สิทธิ์ย่อมพัฒนาไปแค่ไหนก็ได้เช่นกันการฝึกตั้งศัทจาธิฏฐานนั้นจะทำให้จิตใจคุณมั่นคงและถ้าผลบังเกิดตามคำอธิษฐานก็จะเป็นชนวนให้เกิดปีติยิ่งใหญ่เชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าคุณคิดดูว่าถ้าจิตสะอาดขึ้นตั้งมั่นในกุศลมากขึ้น เปิดรับเรื่องดีๆทั้งนอกกายและภายในใจมากขึ้นจะเป็นเหตุบรรดาลความสว่างความรุ่งเรืองได้ใหญ่หลวงปานใดนอกจากนั้นจากความจริงที่คุณประจักษ์ก็จะทำให้ตระหนักว่าการอธิษฐานมีจริงได้หลายแบบหากอธิษฐานโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวแนวโน้มคือจะไม่พึ่งพาตัวเองแต่ทำให้อ่อนแอหวังพึ่งพาคนอื่น ซึ่งก็มีคนอื่นให้พึ่งอยู่จริงๆมีพลังยิ่งใหญ่อันเกิดจากการบำเพ็ญคุณงามความดีของพวกท่านอยู่จริงๆเมื่ออธิษฐานแล้วได้ผลบ้างเล็กๆน้อยๆคุณจะเริ่มเชื่อแบบงมงายว่าท่านต้องช่วยได้ทุกเรื่องพอช่วยไม่ได้ทุกเรื่องก็น้อยใจเห็นท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วคิดทิ้งไปหาศาสดาอื่นแทน